สำลึกตัวขึ้นมาได้เพราะกระดันความเสียใจย่างใหญ่หลวง ก, ก็เกิดขึ้นจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ดีบัวเม่าในลาบยศเข้าใจว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครข้าพเจ้าใช้ทรัพย์แล้วก็ยศของตนเบียดเบียนบีบคั้นพวกชาวบานอย่างทารุณแต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นการทารุณกลับยินดีปรีดาซะอีก ที่ได้เห็นความใหญ่ย่าผู้ชาวบ้านและเห็นมวลทรัพย์ส ม, มุดไหลามาเทมาข้าพเจ้าครองทีอยู่รนน้ำตาผู้อื่นโดยแท้เมื่อได้ฟังด่านแสดงเหตุผลกับเด็กความโกาด้วยติดใจข้าพเจ้าก็หายไปหมดสิน้นรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาทันทีว่าได้ทำความชั่วอะไรไปบ้างาท่านชั่ว ย, ยกข้าพเจ้าขึ้นจากปักแห่งความชั่วร้ายอย่างแท้จริงเนอะ อย่าร้องไห้ไปเลยอุบาทศรู้สันนึกได้เป็นการออดีแล้วข้าพเจ้าคล้ายกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายวันนลึกถึงการกระทําในอดีตแล้วรู้สึกสั่งเวสลดจิตเลือเกินข้าพเจ้าขอปฏิญาณต่อท่านว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดที่้าวบ้านที่ต่อข้าพเจ้าให้เหลิกแล้วต่อกันไปพร้อมกันนี้ก็จะแบ่งที่นา มอะไปเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาทุกทุ ก, ทกครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อกุลเขาดีๆต่อไปด้วยอัตมาไม่นึกเลยเ<อ>ว่าคำพูดที่อัตมาพูดเล่นๆกับเด็กจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านได้อัตมาพูดปตามหลักไม่ได้เจตนาจะสอนผู้ใด<อ>ดูเหมือนมองไม่เห็นท่านด้วยซ้าไปแต่อัตมาก็รู้สึกดีใจที่คำพูดทำให้ท่านสำนึกกลับตัวเป็นคนดีได้ อย่าเสียใจยไปเลยอุบาสกอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไปยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะทําความดีลบล้างความชั่วที่ทําไว้แต่หดหลังพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าคนบางพวกมืดมาแล้วก็มืดไปคือทําชั่วมาก่อนแล้วก็ทําชั่วต่อไปพวกนี้ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปคือทาดีมาก่อน ภายหลังกลับทำความชั่วพวกนี้ใช้ไม่ได้และคนบางพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือทำดีตลอดไปพวกนี้ดีที่สุดคนบางพวกมืดมาแล้วก็สว่างไปคือทำชั่วมาก่อนภายหลังกลับตัวได้ตั้งหน้าทำความดีพวกนี้ก็ใช้ได้ดูก่อนอุบาสก ท่านจัดเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ในอดีตท่านได้เดินไปในทางอันมืดมนแต่บัด น, นี้ท่านบรรลุถึงทางอันสว่างแล้วจงตั้งหน้าทำความดีต่อไปเถอะขอบพระคุณท่านผู้เจริญขอพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี้จำไว้ว่าพึงชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการถ่อมตัวพึงชนะผู้แก้วกล้าด้วยการให้สามัคคี พึงชนะพูดตามสักด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะพูดเสมอด้วยความเพียรพยายามอาตมาขอลาพรุ่งนี้เช้าข้าไปจ่าจะเรียกประชุมชาวบ้านเลย ทุกครั้งที่เคยพบเห็นหน้าแบบมีรู้สึกไม่สบายใจใช่ใช่่ไรแลงแบบนี้และเอาไม่ผิดเลยยังไงเสวันนี้นบ้านผูดทาุก็คงจะหาทางผุดเลือดเชื้อพวกเแน่ไม่ว่านีนจะ้พี่น้องทั้งหลายรดฟังเขาดี่อเู้ดแรบผเลือดเนื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รู้ละใครพูดอะไรได้ยินนะนี่ข้าพเจ้าขอประกาศให้นทั้งหลายทราบว่าทุกคน ที่เป็นหนี้สินข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามว่าไงอืมใช่เขาจะไปคิดเอาคืนจากก่านเป็นไปได้ท่านพ้นจากนี้สินเป็นอิสระแก่ตัวเองทุกๆคนไม่ผาไหรือเปล่าส่วนผู้ใดทำนาของข้าพเจ้าอยู่เป็นจำนวนเท่าใดก็ขอให้ข้าครอบครองถือสิทธิในที่นาจำนวนนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <reading> <expand> ีนเขา้ยกรห้นี่ดีข้าพเจ้าได้ก่อกรทํทเข็นไว้แก่พวกท่านมากมายวันนี้ข้าพเจ้ารู้สำนึกตัวได้แล้วในความผิดเหล่านี้และด้ึยิเียใจอย่างใหญ่หลวงขอท่านทั้งหลายโปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอรับรองต่อหน้าเพราะสุริยาเทพเจ้าว่าั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพระเจ้าจะไม่ทำการเช่นนั้นอีกเป็นอันขาด oh. จะตั้งใจให้การคุ้มครองแก่ท่านโดยทำสื่อป oh. ก็มาถึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นเวลาบ่ายแดด ก, กำลังร้อนจัดจึงแวะเข้ามานั่งพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำน่าประหลาดจริงๆไม่เห็นมีน้ำอยู่เลยในแม่น้ำมีแต่ทรายสีขาวกำลังร้อนระอุด้วยเปลวแดดจนแทบจะมองดูไม่ได้เนรัญชราควรจะได้ชื่อว่าแม่ทรายมากกว่าแม่น้ำทังแม้อากาศจะร้อนจัด แต่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ร่มเย็นสบายดีพื้นสรายนุ่มเย็นสบายบนฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานี่สิพระบรมศาสดาประทับนั่งใต้ร่มโพธิ์เมื่อ น, นานหาแล้วเหอเสียงแพะที่ไหนอ๋อท่นไงชายชราไล่ต้อนฝูงแพะเข้ามานอนในร่มไม้และตัวชายชราเองก็เดินตรงเข้ามาหา โอ้ท่านธรรมนัฐท่านมาจากไหนเราจะไปไหนอาตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชครือท่านมาจากกรุงสาวัตถีเห็นไหมเนี่ยเป็นความจริงอาตมามาจากกรุงสาวัตถีมีอะไรที่ท่านสงสัยถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลามากถ้าพเจ้าไม่เคยไปสาวัตถีหรอก แต่ค่าประยชไกลมากทีเดียวท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยล่ะอาตมาเดินทางมาคนเดียวเดินทางมาคนเดียวเท่นไหนนะไม่กลัวหรือจะต้องกลัวอะไรอา้าวก็กลัวอันตรายต่างๆนะั่นไงเออยังเท่นโกมผู้ร้ายหรือว่าจับร้ายจอนผู้ร้ายอาตมาไม่กลัวหรอกเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้เขาปล้นมีแต่บาทและจีวรเท่านั้น เขาต้องการอาตมายินดีจะให้สัตว์ร้ายอาตมาก็ไม่กลัวเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศรีรษะและร่างกายนี้เท่านั้นแม่ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีสละให้เหมือนกันโอ้ถ้าท่านไม่กลัวเจงเหล่านี้นอกว่าท่านเป็นคนกล้าหาญที่สกเท่าที่กระบาดเราได้เคยพบมาคนเราทุกคน กลัวอันตรายภัย พ, พิบัติต่างๆด้วยกันเท่านั้นยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสอยยากอันตรายอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเลยทีอาตมาไม่เคยกลัวความตายเ อ, อ๊ะเพราะอะไรละท่านกัมมันตนะ์เพราะอาตมาคุ้นเคยกับความตายเสแล้วฮะท่านคุ้นเคยกับความตายหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้ว เคยตายมาแล้วหลายครั้งก็เคยแต่แล้วอย่างงั้นใช่ไหมหาไม่ได้ในชีวิตของอาตมายังไม่เคยตาย อ, อ้าไหนว่าคุ้เคยกับความตายไงอะถูกแล้วอาตมารู้จักคุ้นเคยกับความตายโอ้ยข้าพระเจางงไปหมดแล้วมันยังไงกันแน่นี่อย่า ง, งงไปเลยที่อาตมาบอกว่ารู้จักกับความตายคุ้นเคยด้ยดีนั้น ก็เพราะอาตมามันดะลึกถึงมันเสมอว่าชีวิตของเรากําลังไหลไปสู่ความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ําในแม่น้ําไหลไปสู่ทะเลเราห้ามน้ําไม่ให้ไหลไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามชีวิตไม่ให้ตายไม่ได้ฉันนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันคืนที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งที่เรากใกล้ความตายเข้าไปทุกที ความตายคือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้เช่นนี้แล้วอาตมาจึงไม่กลัวต่อความตายนาฟังขป้าเจ้าเห็นด้วยแต่ก็ยังไม่คอดตองไก่อยู่อย่างหนึง่งท่านสงสัยอะไรเพียงแต่ระลึกถึงความตายบ่อยๆทำไมหายหวาดกลัวได้หรอือข้อนี้ขป้าเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทําให้หายกลัวได้อย่างไง ถ้าทําบ่อยๆเข้าจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญซะแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอาจจะมาขอถามหน่อยเถอะว่าเมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวไข่บ้างไหมเอเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดเดี๋ย ว, ย ว, ย ว, ยวขอให้กระป๋าเก่านึกดูก่อนนะอืมออ๋อนึกออแล้วนึกออกแล้ ว, ออลวเคยกลัวไหมเคยกลัวเหมือนกัน ข้าพเจ้าเคยกลัวทายแก่คนหนึ่งหน้าตาของแกน่ากลัวมากชอบพูดจาหยอกล้อให้ได้กลัวเธด้วยข้าพเจ้าเลือกแกว่าลุงเพราะเป็นญาติทั้งฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันเวลาข้าพเจ้าร้องไห้แม่ก็มักจะขูว่าลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าก็รู้ร้องไห้ทันทีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในเวลานั้น ท่านกล้าไปมาหาสู่ลุงของท่านไหมโอ้ไม oh ่กล้าหรอกท่านสมณนะเพียงแต่ได้ยินเสียงลุงข้าพเจ้าก็วิ่งหนีเท่าไหร่ข้าพเจ้าออกอย่างนี้จะกล้าเผชิญหน้ากันได้ยังไงท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาหรือภายหลังหายกลัวภายหลังความกลัวหายไปแต่กว่าจะหายนั้นมันก็กินเวลาไหลไปทีเดียวท่านพอจะรืลึกได้ไหม ว่าเพราเหตุใดท่านจึงหายกลัวลุงเอ๊ะนี่ท่านจะมาถือกโวนเรื่องราวนี้อัะไรก็เข้ามเจ้าไวท่าไหร่กันเนี่ยอย่าเพิ่งไม่พอใจสิอาตมาไม่มีเจตนาเป็นความจริงนะอุบาสกอาตมาไม่มีเจตนาเลยสักนิดเดียวที่จะไล่เรียงชีวประวัติท่านเล่นๆต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเอง ว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆทำให้ไม่กลัวตายยังไงถ้าท่านบอกกับอาตมาได้ว่าทำไมจึงหายหวาดกลัวท่านพอจะระลึกได้ก็โปรดบอกอาตมามาด้วยว่าเพราะอะไรภายหลังท่านจึงไม่หวาดกลัวลุงของท่านเออเข้าที่จำได้นะ่ะดูมันว่าคราวหนึง่งลุงของข้าพเจ้าล้มป่วยมารดาจึงพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านตอ น, นแรกๆก็ยังกลัวอยู่ แต่หลังลับไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆ ห, หายไปจนในที่สุดก็ไม่นึกกลัวอีกเลยนี่แหละความตายเปรียบเหมือนกับลุงของท่านเมื่ อ, อยังเด็กท่านกลัวลุงยังไงคนทั้งปวงก็กลัวความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงแต่ได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าระลึกถึงความตาย เพิยงแต่ได้ยินคําว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาดสะดุ้งซะแล้วต่อมาภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุงเพราะไปมาหาสู่บ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยชั้นใดคนเราก็มันระลึกถึงความตายบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายชั้นนั้นเอท่านทราตพูดเปรียบเทียบหน้าฝังมาก ข้าพาเจ้าถือท่านแล้วก็พยายามร้องดูเอแต่ว่าอะไรเลย อ, อุบาสกข้าพาเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่า ก, การระลึกถึงความตายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพาเจ้าเคยระลึกถึงเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายมันก็ทําให้ใจเศร้าเกิดความท้อแท้หมดอะไรตายอยากในสิ่งทั้งปวง อยากจะนอนคอยวันตายอย่างเดียวข้าพเจ้าก็เลยไม่อยากคิดถึงมันสู้ลืมมันซะเลยดีกว่าต่อยให้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้จะตายเมื่อไหร่ก็ช่างมันคิดอย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นบ้างดูก่อนดูบาศสมมุติว่าทายคนหนึ่งกําลังพายเรือที่พุนไปได้รูข้ามแม่น้ําใหญ่ขณะที่พายเรือไป เขาก็มองเห็นว่าน้ำกำลังพุ่งเข้าเรือตามรอยรั่วเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ำแน่เมื่อคิดว่าเรือจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิตเพราะไม่มีทางจะอาศัยเรือไปฝั่งโน้นได้จึงไม่คิดถึงการจมของเรือยืนร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปในเรือจนกระทั่งเรือจมลงไปเขาก็จมน้ำตายท่านเห็นว่าชายคนนี้ฉลาดหรือโง่ โอ้โง่โง่ยังไม่มีปัญหาทีเดียวเพราะเหตุใดอ้าวเพราะรูู้่ว่าคนพายเรือรั่วจะต้องจมกลางแม่น้ำแล้วยังมัวประมาาร้องรำทำเพลงคนแบบนี้จมน้ำตายซะได้ก่อนมาป่าจมน้ำหน้าแล้วะถ้าอย่างนั้นท่านกงโง่ด้วยอ้า ะ, ะท่านขมันนะ ท่านมาว่าขบัติเจ้าโง่ขบัติเจ้าโง่ยังไงอตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านโง่ยังไงร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือรั่วโอคาสงสารที่ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเปรียบเหมือนแม่น้ําใหญ่ฝั่งข้างโน้นเปรียบเหมือนพระนิพพานท่านกําลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามโอคาสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพพาน แต่เรือคือสังขารร่างกายของท่านกําลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็นทั้งทั้งที่เรือจวนจะล่มทั้งทั้งที่รู้ว่าจะต้องจมน้ําตายยังประมาทร้องรําทําเพลงอย่างนี้ไม่โง่ได้ยังไงถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็ไม่ทําอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทําอย่างนั้นแล้วท่านจะทําอย่างไงเมื่อรู้ว่าจะพายเรือรั่วข้ามแม่น้ําใหญ่ไม่ถึงฝั่งแน่ อาตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างใดทั้งจะไม่ร้องรำทำเพลงเพื่อหลอกบำรุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือรั้วจะล่มแต่จะรีบตระเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ในเรือไว้ให้มากๆขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงๆอาตมาก็จะรีบคว้าเครื่องชูชีพมาแนบไวกับตัวแล้วอาศัยว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทำอย่างนี้ ท่านเห็นว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดหรือโง่โอ้ฉล า, าดมากเออแล้ว่าขอถามอี ก, กนิดเถอดท่านธรรมณะท่านยังสงสัยอะไรอยู่อีกถามมาได้เลยสรีระร่างกายเปรียบเหมือนเรือรั่ววัตะสงสารเปรียบเหมือนแม่น้ําใหญ่ฝั่งโ น, น้นเปรียบเหมือนแดนกระถิ่มขึ้นนิพพานแล้วทั้งหมดนี้ ท่านเกาบอกให้ข้าพเจ้าแจมแจ้งจนหมดทิ้งไอ้ที่สงสัยก็คือว่าเครื่องชูชีพอะท่านธรรมณะจะเปรียบกับอะไรเครื่องชูชีพเปรียบเสมือนกุศลเพราะอะไรท่านธรรมณะจึงได้เปรียบเช่นนี้เท่าที่เปรียบชูชีพเป็นเหมือนกุศลเพราะว่าตายแล้วท่านจะนําทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สรีระร่างกายก็ต้องถูกฝังหรือทิง้ง ทรัพ ส, สมบัติก็ดีสริรีร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนำไปปรโลกได้คือบุญกุศลท่านจะได้กุศลนี้เป็นเครื่องชูชีพว่ายข้ามภพข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้นคือนิพพานดูก่อนอุบาสกท่านละ่ะได้ทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างหรือไม่ ไม่ค่อยได้ทำเลยท่านธรรมนะททำไมท่านถึงไม่ทำละ่ะข้าพเจ้ามัวตะเป็นกังวลดูกบุตรพัญยาบ้างไรนาแพะบ้างการงานในบ้านบ้างจนไม่มีเวลาว่างพอทำบุญถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารมากน่าสงสาร ท่านกำมณะว่าขบาเจ้าหน้าสงสารอย่างนั้นเหรอถูกแล้วท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ของแพะบ้างของไรนาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมอรณะภัยมาถึงเมื่อเรือคือศรีรษะของท่านจมลงสู่วังวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยท่านไม่ได้เลยท่านจะต้องไปเผชิญกับความมืดมิดภายหลังความตายแต่เดียวดาย เมื่อนั้นแหละท่านจะเห็นคุณค่าของการช่วยตัวเองช่วยตัวเองด้วยการทำบุญกุศลอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วด้วยการทำบุญกุศลถ้าท่านไม่ทำบุญกุศลไว้ท่านจะไปอย่างยากจนขัดสนไม่มีสเสบียงอาหารหรืออาวุธใดๆติดตัวไปด้วยท่านจะต้องเผชิญกับความอดจากหิวโหวยและความลำบากแสนสาหัสดุจคนไม่มีชูชีพ เมื่อเรือล่มก็ต้องลอยคออยู่ในท้องทะเลหลวงอันเกลื่อนไปด้วยฉลามร้ายและปั่นปนไปด้วยพายุโอ้ขาพเจ้าเสียใจเสียใจจริงๆอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะสแสวงหาสเสบียงคือบุญกุศลไว้ยังไม่สายเลยท่านสมณะถูกแล้วยังไม่สาย ขป้าเจ้าควรจะทำายังไงรละท่านรมณะตั้งแต่วันนี้ไปท่านก็จงทำบุญกุศลโปรดแนะนํำแก่ข้าเจ้าด้วยข้าเจ้าควรจะทำบุญกุศลประฐานใดทำบุญกุศลด้วยการให้ทานแก่สมณะพราหมณ์และคนจนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพยายามอดกลั้นกำจัดความโลภความโกรธความหลง ที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งคราวสรุปโดยย่อ ก, ก็คือว่าจงคิดดีพูดดีทำดีทุกเมื่อและทุกสถานที่ความดีนี่นะคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่คติพบภายหลังเรือลม่มฉะนั้นอย่าประมาทโอ้ขอพระคุณดั่งมนะะอาตจจมาก็จะต้องเดินทางต่อไปแล้ว ขอให้ท่านผู้เจริญโชคดีเถิด การใกล้กรุงราชฤทธภูมิประเทศจากป่าเป็นทุ่งนามากขึ้นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ต้นข้าวในนาบางแห่งยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จต้นข้าวงามมากกอใหญ่รวมดกเมล็ดโตจากทุ่งนาก็เป็นหมู่บ้านมีผู้คนอยู่หนาแน่นตามท้องนาชาวนาเก็บเกี่ยวกันเป็นหมู่หมู่บางหมู่สนทนาหยอกล้อหัวเรอกันอย่ามีความสุข บางหมู่ก็ร้องรำทำเพลงขับเต้ระหวางชายหญิงน่าสรุกสนานก็น่าแปลกพวกเขาทำงานกันท่ามกลางแสงแดดเงือไหลโซมตัวอย่างยิ้มแย้มร่าเริงตรงกันข้ามกับเศรษฐีที่อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นในมหานครตัดุ่มตรระวายใจไม่ได้สักนั้วยางนี้ใครหนอที่มีความสุขกันแน่นั่นแหละความสุขอยู่ที่ความพอใจ ชาวนาทำนาอาบเหงื่อต่างน้ำถ้าพอใจในภาวะของชาวนาก็เป็นสุขแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินเจ็ดสิบโกดอยู่ในปราสาสตรถ้ายังไม่พอใจภาวะเช่นนั้นยังกระเสือกกระสนลินรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีกก็หามีความสุขสบายใจไม่จึงเอาทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องวัดความสุขของคนไม่ได้โนนทิวเขาสีน้าเงินแก่ ตั้งขวางหน้าอยู่ทางทึิตตะวันออกเครื่องหมายแห่งมหานาครราชครึกราชธานีแห่งมกทรัตของราชาพิมพิสารราชครึมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีนครเพราะมีภูเขาห้าลูกคือเวพาระเวปุละคิดชักปูดอิสิคีลิและโซนะตตั้งเรียงรายอยู่รอบมือ เป็นกำแพงธรรมชาติอันมั่นคงมูปัจจามิตรไม่หานเข้าโจมตีเอาละ่ะพักอยู่ใต้ร่มต้นวานี่ก่อนเถอะกำลังนั่งอย่างสบายอารมณ์ ไายแก่คนนั้นมาจากไหนไม่รู้สพายผุงเดินทานมาเมื่อเหลือไม่เห็นจริงแวะเข้ามานั่งพักด้วยท่านสามนาท่านมาจากไหนอัตมาเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีอ๋อแล้วหนีกําลังจะไปไหนมหานครราชฤกเห็นทีจะอยู่ข้างหน้านโนูนก็เพรเจ้าเป็นหมอเที่ยรักษาพยาบาลคนตามนีคนต่างๆ ความสามารถของขป เ, เจ้าเป็นที่เรื่องหรือใครก็ตามถ้าขาเพาเจ้ารักษาแล้วต้องหายจากเจ็บป่วยทุกคนหมอคนอื่นมีความสามารถไม่ได้ครึ่งขเพเจา้านักประอุบาสกเป็นหมอที่มีความสามารถมีความรอบรู้ยิ่งกว่าหมออื่นๆน่นอนทีเดียวท่านขะมันละอาตมาเกิดมาในโลกนี้ก็หลายปีแล้ว ทั้งได้เดินทางท่องเที่ยวมาเกือบจบด้าวแดนรัฐโยมประเทศแต่ยังไม่เคยพบเห็นหมอคนใดมีความรู้ความสามารถเหมือนอย่างท่านเลยท่านเป็นหมอผู้สามารถที่สุดเท่าที่อาตมาได้เห็นมาโ <c oughs> ูกแล้วท่านสมณะถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วไม่มียาขนานดใดที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้ไม่มีโรคชนิดใด ที่ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้นี่พูดกันตามความจริงไม่ใจคุยอวดตัวเองอัตมาเชื่อท่านนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของอัตมาทีเดียวที่ได้มาพบท่านเพราะอัตมามีญาติอยู่คนหนึ่งในกรุงราชครึกําลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาท่านไปตรวจดูสมุดฐานและประกอบยารักษาให้ด้วยถ้าท่านรักษาหายได้ อาตมา จ, จะให้รางวัลอย่างงามที่สุดไว้ใจข้าพเจ้าเถอะท่านธรรมนเรื่องเล็กข้าพเจ้ายินดีจะช่วยรักษาคนป่วยรายนี้โดยไม่คิดมูลขาดใดอย่างใดโปรดบอกอาการป่วยของเข้ามาเถอะข้าพเจ้าจะค้นสมุนทานประกอบยาให้เดี๋ยวนี้อาการป่วยของเขาเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นเขาแข็งแรงดีอย่างอัตต